นักปฏิบัติธรรมเราข้อสาคัญอันหนึ่งที่ควรจะอยู่ในใจเราทุกคนเลยคือว่าอย่าล้นลลนกับผลการปฏิบัติอย่าตัดสินตัวเองเมื่อไรเราตัดสินความเป็นคนก็เกิดขึ้นความเป็นคนเกิดขึ้นต้องทุกข์ ความล้นหลนในผลของการปฏิบัติธรรมนี่มีได้ตั้งแต่ผลเล็กน้อยจนไปถึงผลสุดท้ายก็คือความหลุดพ้นพวกเรานักปฏิบัติจำนวนมากยิ่งปฏิบัติมานานเท่าไหร่ยิ่งให้เวลาการปฏิบัติมากเท่าไหร่ความล้นแรงในการหวังผลการปฏิบัติยิ่งมากเท่านั้น มีความร้อนแรงในผลของการปฏิบัติธรรมมากเท่าไหร่ต้องทุกมากเท่านั้นผลการปฏิบัติธรรมเช่นยังไงมีเป้าหมายโอ้จิตต้องตั้งมั่นมันไม่ตั้งมั่นนี่เครียดมีเป้าหมายต้องรู้สึกตัวให้บ่อยมันรู้สึกไม่บ่อยเครียดมีเป้าหมายต้องรู้สึกใจบ่อย มันไม่ค่อยมารู้สึกมันลืมเครียดเราต้องใช้ธรรมะอะไรก็มาช่วยเราตรงนี้จิตไม่ใช่ของเราเรารู้ว่าเราควรจะรู้ทันจิตไปคิดจิตถึงจะตั้งมั่นเราควรจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตถึงจะตั้งมั่นแต่จิตไม่ใช่ของเราวันนี้มัน มันทําได้แค่เนี้ยคือมันรู้ทันได้แค่เนี้ยก็คือแค่นี้เราอาจจะคิดว่าอุมันแย่กว่าเมื่อวานมันแย่กว่าวันซืนมันแย่กว่าเดือนที่แล้วอีกทำไมเคยดีแล้วมันแย่ได้เพราะนั้นถ้ามันแย่ได้มันก็ต้องดีได้มันเป็นอะไรอานิจจังเนี่ยเอาธรรมะเข้ามาสอนตัวเอง วันนี้เป็นแบบนี้ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนเลยไม่มีอะไรแน่เลยพรุ่งนี้ดีมะรืนนี้อาจจะแยกแล้วก็ได้พุ่งซ่านนี่คือธรรมะคือเราควบคุมบังคับอะไรไม่ได้มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเหตุปัจจัย ผลเราอยากมีจิตที่ตั้งมัน่นนี่คือผลพอเราไม่มีเราก็เดือดร้อนสมควรจะเดือดร้อนไห ม, ห, มหนีไม่พ้นน่ะเรานักปฏิบัติทุกคนก็เดือดร้อนแต่เดือดร้อนอย่านานเดือดร้อนรู้ทันจิตใจตอนนี้เป็นไงนจิตมันอ่อนแล้วรู้ทันจิตมันอ่อน ไม่ใช่ไปนั่งเศร้าใจกุ้มใจทำไมเป็นแบบนี้คำว่าทำไมนี่แหละคือคำถามของการสร้างคนความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันเรียกร้องคำว่าทำไมพอมันเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วสอนตัวเองเอาธรรมะพระพุทธเจ้าสอนตัวเองก่อนจำคำที่ผมบอกไว้ว่าวันนี้เป็นแบบนี้แล้วถ้ารู้สึกว่ามันไม่ดีมันแย่ลองดูสิคู่นี้จะเป็นยังไง มันจะเหมือนเมื่อวานไหมรับประกันเลยว่าไม่เหมือนมันเปลี่ยนตลอดเวลาบางวันก็โอ้โหมีกาลังใจปฏิบัติมากแม่วันนี้จิตใจสบายรู้เนื้อรู้ตัวดีรู้ทันจิตปิจิตรู้ทันอารมณ์คุงนี้เป็นคนละเรื่องเลยหนังคนละม้วนเลยก็ถ้าเราโดนกิเลสหลอกแล้วก็ทำไมเป็นแบบนี้วะท า, าอะไรผิด มันพาเราไปคิดสาเหตุทั้งหมดคืออะไรเราล้อนลนว่าเราไม่ได้ผลอย่างที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นเบื้องหลังความร้อนลนนั้นคือความกลัวกลัวไม่ได้ปฏิบัติธรรมกลัวว่ายังปฏิบัติได้ไม่ดีกลัวจะไม่พ้นทุกเนี่ยเราต้องเห็น อะไรเกิดขึ้นในใจนี่เรียกว่าปฏิบัติมีความกลัวอยู่เบื้องหลังเห็นให้ได้มันมีความกลัวถ้าเราเห็นได้มันจะขาดหมดเลยจิตใจนี่จะสบายขึ้นมาเลยความสบายคือเป็นปกติไม่ใช่ความสุขมันจะเป็นปกติมันจะพ้นทุกเขาเรียกว่าหลุดพ้นเนี่ยหลุดพ้นอย่างนี้หลุดหลุดไปเรื่อยๆการเห็นสภาวะตามเป็นจริงคือการหลุดไปเรื่อยๆ การรู้การเห็นสภาวะตามเป็นจริงรู้แล้วผ่านทำไมมันผ่านได้เพราะว่าพอรู้แล้วมันดับไปแต่ถ้ารู้แล้วติดอันนี้ไม่รู้หรือไม่ก็กำลังสมาธิไม่พอที่มันจะดับไปถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะทำยังไงปฏิบัติในรูปแบบ มีฉันทะที่จะไม่ลืมหรือลืมตัวไม่ลืมกายไม่ลืมใจนี้เมื่อเรานั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ที่บ้านวิธีปฏิบัติคืออะไรที่ผมบอกมีผัสสะอะไรมากระทบแล้วก็หันมาดูจิตใจตัวเองว่าเป็นยังไงมันเป็นยังไงก็รู้เป็นอย่างนั้น ฟังทำอะไรบางทีฟังทำแล้วพอใจรู้ความพอใจเกิดขึ้นแล้วฟังทำอะไรเกิดความไม่พอใจรู้ความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามีผัสสะกระทบทางหูก็กลับมาดูใจมีผัสสะกระทบทางตาก็กลับมาดูใจผัสสะกระทบทางลิ้นกลับมาดูใจสัญญาเกิดขึ้นกลับมาดูใจ นี่คือลักษณะของการรู้แล้วผ่านเลยไม่ใช่รู้แล้วติดอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือผัสสะที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเมืเราทำอย่างนี้ได้อยู่เนืองๆจิตใจนี้ก็จะตั้งมั่นขึ้นมาคําครูบาอาจารย์หลวงปู่เทศมีสติตามรักษาจิตครูบาอาจารย์ก็พูดอย่างนั้นไว้ มีสติตามอารักขาจิตอยู่แต่คำพูดมันยากฟังนี้ปุ๊บมันจะไปเพ่งกันจะไปจ้องอเขาบอกต้องอารักขาเลยจ้องเลยเสร็จเลยก็ไม่ไม่ถูกอีกแต่คำพูดมันเป็นแบบนั้นเพราะนั้นตรงเนี้ยเป็นศิ ล, ละปะเป็นศิละปะที่เราจะต้องหาให้เจอด้วยตัวเองไม่มีครูบาอาจารย์ที่ไหนบอกได้ ย, ยังผมพยายามจะหาคาที่มันพอดีที่สุดผมก็ใช้คําว่าเอาเป็นว่าไม่ลืมแล้วกันเนี่ยหาวิธีปฏิบัติให้มันมีภาษากระทบปุ๊บก็กลับมาดูใจมีภาษากระทบปุ๊บก็กลับมาดูใจเดี๋ยวมันจะเนึองเนืองเองจนรู้อยู่ตลอดมันเหมือนรู้อยู่ตลอดแต่ไม่ใช่เพ่งเนี่ยตรงเนี้ยพวกเราต้องหากันค่อยๆปฏิบัติไปมันจะค่อยๆเข้าใจเองใช้เวลา พราะนั้นผลยังมาไม่ถึงเนี่ยผลเล็กๆไม่น้อยยังมาไม่ถึงผลที่เราคาดการเฉพาะหน้าอยากจะให้จิตเป็นงี้เป็นงั้นอยากให้จิตไม่ฟุ้งซ่านอยากให้จิตตั้งมั่นคืออย่าล้นลนกับมันเรามีหน้าที่รู้ว่าเหตุที่จะทำให้เกิดผลนั้นมันเป็นยังไงเราก็แค่หมั่นสร้างเหตุ ส่วนผลมันจะดีขึ้นหรือยังตั้งมันหรือยังฟุ้งซ่านน้อยลงหรือยังปล่อยให้ธรรมชาติของผลนั้นมันเกิดเองเหมือนถ้าเราเคยได้ยินพระโสดาบันนี่มีคุณลักษณะยังไงพระโสดาบันเป็นบุคคลที่มีสมาธิเล็กน้อย มีปัญญาเล็กน้อยคำว่าสมาธิเล็กน้อยแปลว่าอะไรคือพระโสดาบันก็คือว่าจิตยังไม่ค่อยตั้งมั่นเหมือนกันทันทีพวกเราฟังอาจจะช็อกฮะพระโสดาบันจิตยังไม่ตั้งมั่นเนี่ยครูบาอาจารย์ก็เล่าให้ฟังบอกพระโสดาบันมีสมาธิเล็กน้อยคือหมายความว่าจิตนี้ยังไม่ค่อยตั้งมั่นแฉลบซ้ายแฉลบขวาออกนอก เหมือนพวกเรานี่แหละที่กำลังปฏิบัติธรรมอยู่แต่พระโสดาบันมีความต่างอีกหลายอย่างแต่อย่างหลกัหลกๆเลยก็คือว่าคำว่าปัญญาเล็กน้อยเป็นความต่างอันหนึง่งคือพระโสดาบันเห็นความจริงแล้วว่าโลกนี้ว่างจากสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเข้าใจว่า สภาวะใดๆเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่คือปัญญาเล็กน้อยของพระโสดาบันคำว่ามีปัญญามากกว่านี้มันเป็นยังไงคือมีปัญญารู้แจ้งอริยสัจมากขึ้นเรื่อยๆนี่แสดว่ามีปัญญายิ่งๆขึ้นไปแต่พระโสดาบันมีเท่านี้พูดในมุมสมาธิก็คือมีสมาธิที่เล็กน้อยคือยังไม่ค่อยตั้งมันเท่าไหร่คล้ายๆพวกเราเหมือนกันแต่ความต่างคืออะไร เรื่องปัญญาการเห็นความเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงเพราะนั้นเราฟังไว้แล้วจะได้ไม่ต้องรู้สึกเดือดร้อนมากถ้าวันนี้อยากจะมีสมาธิตั้งมั่นแต่ไม่มีหรือมีบ้างไม่มีบ้างก็ไม่ต้องเดือดร้อนมันเป็นแบบนั้นขนาดพระโสดาบันยังเป็นแบบนั้นเลยเราใหฟังจะได้มีกำลังใจไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้อง เศร้าใจไม่ต้องหมดกำลังใจมากกับการปฏิบัติธรรมแต่ฟังแบบนี้ไม่ใช่ว่าพระโสราบันไปฟังว่าล้วกิกกอ๊อกไม่มีอะไรนะความสำคัญอย่างหนึ่งของพระโสราบันคือความทุกข์ลดลงไปเยอะมากพรธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนภูเขาสีนรุความทุกข์ของพระโสราบันก็เหลือเพียงก้อนหิน เท่าขนาดมเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดก้อนแค่นั้นแล้วก็ยังมีความต่างอีกหลายอย่างที่ไม่ต้องอธิบายก็ไปหาอ่านเอาเองเพราะนั้นการปฏิบัติเข้าใจให้ถูกแล้วมันมีลักษณะอย่างนี้แหละคือรู้อยู่ในกายในใจนี้เนืองๆจนมันจะค่อยๆรู้สึกอยู่ตลอดแต่ไม่ใช่เพ่งให้มันเป็นเอง เพียงแต่ทำกิริยาที่ผมบอกเมื่อคีนี้ไว้ผัสสะอะไรมากระทบกลับมาดูใจความรู้สึกเป็นยังไง ร, รู้มันปกติก็รู้มันไม่ปกติก็รู้มันจิตมันตกก็รู้จิตมันฟูก็รู้มีความพอใจเกิดขึ้นก็รู้มีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็รู้รู้ยังไง รู้ว่ามันมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นในจิตใจนี้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อกี้นี้เพราะทําไมพูดว่าเป็นอาการเพราะว่าบางครั้งเราไม่รู้มันชื่ออะไรเราแค่รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงจากเมื่อกี้นี้ไปในทางลบหรือไปทางบวกบางทีก็รู้สึกได้แค่นั้นไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรดีแล้วเราลองดูว่าถ้าเรามีสติตามรักษาจิตอยู่แบบนี้ วันนี้ขอใช้คำพูดหลวงปู่เทศถ้าเรามีสติตามรักษาจิตอยู่เนื่งเจิตนี้จะค่อยๆมีกำลังขึ้นตั้งมั่นขึ้นเพราะอะไรเพราะมันไม่เกินกายกับใจนี้ออกไปตรงนี้เป็นศิลปะขั้นสูงมากที่มันไม่ใช่การเพ่งจ้องแต่ก็ไม่ใช่ละเลยตรงนี้ฟังให้ดีถ้าเราปฏิบัติ แบบละเลยมันจะไปในทางที่จิตเนี้ยฟุ้งซ่านเยอะแล้วพอเรารู้ทันมันก็ฟุ้งซ่านอีกหรือแม้กระทั่งเป็นอารมณ์ไปแล้วติดอารมณ์คือติดอะไรติดอารมณ์ทุกติดอารมณ์ทุกติดอารมณ์เบือ่อติดอารมณ์เศร้าเนี่ยเขาเรียกว่าอันนี้มันหละหลวมไปหน่อยเออ บางทีเราต้องการมันเป็นธรรมชาติเราก็เลยเอ่อเดี๋ยวเรารู้ตัวอยู่แหละรู้น้ ร, รู้ตัวอยู่แหละเดี๋ยวจิตใจกระทบอะไรเป็นอะไรปุ๊บมีอะไรเกิดขึ้นค่อยรู้ทันทางจิตใจเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่ามันหละหลวมไปพลนจากการหละหลวมนั้นเราจะสังเกตได้เองว่าพอมันมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บไปกับมันเลยเป็นเรื่องเป็นราวกับมันเลยติดเลยติดเรื่องติดราว คิดเป็นจริงเป็นจังเลยตรงนี้เขาเรียกว่าหลหลวมไปหน่อยเพราะนั้นทุกคนต้องมีศิลปะที่จะรู้จักตรงที่มันพอดีมีสติตามรักษาจิตแต่ไม่ใช่เพ่งจ้องไม่ใช่ดักดูเอาไว้ไม่ใช่ละเลยหลหลวมเนี่ยตรงนี้พูดเป็นคำสอนกว้างๆเอาไว้เราต้องไปหากันเองให้ได้ ค่อยๆปฏิบัติไปโดยวิธีการที่ผมพยายามจะสอนที่คิดว่ามันจะไม่ใช่เพ่งจ้องและก็ไม่ใช่หลาลรวมก็คือเมื่อมีผัสสะอะไรเกิดขึ้นกระทบมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจผ่านมาทางอายตนะใดๆให้กลับมาดูใจเราเป็นยังไงผลลัพธ์จากการที่เราทำแบบนี้ทำหน้าที่แบบนี้ที่จะไม่ลืม ที่จะหันกลับมาดูใจเราเดี๋ยวมันจะเนื่องเองเดี๋ยวมันจะรู้สึกว่ามันเห็นได้ตลอดเองอย่างเป็นธรรมชาติอย่าไปทำให้มันเนื่องเลยนั่นตรงที่เป็นศิลปะสําคัญที่พวกเราทุกคนจะต้องหมั่นสังเกตค่อยๆดูไปต่อไปเราจะเป็นอย่างี้กระทบอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะ รู้สึกเลยว่าใจเป็นยังไงที่บอกว่าจนบางครั้งเราไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรแต่รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงมีความรู้สึกบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปในใจแต่ไม่มีชื่อให้ชื่อไม่ได้เพราะมันเกิดนิดเดียวยังไม่ทันเป็นชื่อเป็นแท้ถ้าเราปฏิบัติอยู่แบบนี้ติดใจนี้โดยส่วนใหญ่เป็นปกติชีวิตนี้เป็นยังไง ชีวิตนี้ไม่ค่อยอินกับอะไรไม่ตกเป็นทาตของความคิดไม่ตกเป็นทาตของอารมณ์เพราะอะไรเพราะมันไม่ติดกับอะไรมันรู้ก่อนเกิด อ, อะไรขึ้นในใจมันรู้เพิบรู้พุธมันดับไปมันดับไปก็ไม่ติดพอเรารู้แบบนี้เขาเรียกอะไรเรียกวิปัสสนาเนี่ยมันมีแต่รู้นะเราปฏิบัติเนี่ย บางทีเราเราฟังผลมตอนแรกพูดผลตอนต้นอยากได้ผลแบบนี้แบบนั้นปฏิบัติไปปฏิยามามีความดินน้นรนอยากได้ผลตอนปลายสมมติเร อ, อยากให้จิตนี้มันว่างสว่างบริสุทธิ์ไป ฟ, ฟังว่างตรงทีอ๋อว่างต้องไม่ให้มีอะไรเลยนี่ก็เข้าใจผิดว่างเป็นผลจากการที่เราเนี่ยปฏิบัติอย่นี้แหละคือเห็นสภาวะเกิดขึ้นเห็นแล้วมันก็ดับ มันมีได้เกิดขึ้นเห็นแล้วมันก็ดับไปเพราะมันดับไปดับไปผลลัพธ์มันคือมันว่างว่างจากอะไรว่างจากสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาไม่ใช่ว่างเปล่าว่างจากกิเลสตัณหาเพไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่เราไปฟังว่างไปทําให้มันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่ใช่มันเป็นผล เรมีหน้าที่ปฏิบัติแบบนี้ลลัพับอย่างนี้เขาเรียกว่าลลัพับแห่งอะไรแห่งปัญญายาณเข้าใจตามเป็นจริงว่าแท้จริงโลกธาตุนี้ว่างจากสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามันว่างได้ยังไงเพราะรู้สภาวะตามเป็นจริง อะไรเกิดขึ้นก็รู้พอรู้แล้วมันก็ดับไปเนี่ยมันอาศัยกิริยาอะไรกิริยารู้รู้ทันมีกิริยาอื่นได้ไหมบางคนนักปฏิบัติเคยได้ยินมาเล่าให้ฟังมีอะไรก็ขึ้นเอาทิ้งหมดเอาทิ้งหมดปัดทิ้งปัดทิ้งปัดทิ้ ง, งว่างเหมือนกันแต่เป็นว่างไม่มีปัญญาเพราะอะไรมีการกระทาปัดทิ้ง ถ้าปัดทิ้งได้ด้วยตัวเองก็เป็นอัตตาใช่ไหมไม่ใช่อนาตตาแต่ถ้าแค่รู้แล้วมันดับไป น, นี่ไม่ได้ทำอะไรพอรู้ทันมันก็ดับไปเองกิริ ย, ยารู้มันเป็นกลางมันไม่สนว่าสภาวะที่เกิดขึ้นเช่นพอใจเป็นความสุขหรือไม่พอใจก็เป็นความทุกข์มันสภาวะรู้นี่คือไม่ว่าสุขหรือทุกข์เท่ากันหมด กุศลอกุศลเท่ากันหมดคือรู้ไม่เดือดร้อนหรือไม่พอใจไม่ยินดีไม่ยินหลยกับทุกสภาวะแต่อาการปัดทิ้งคือรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยต้องปัดทิ้งนี่เขาเรียกว่าไม่เป็นกลางเผื่อว่นไหนปัดทิ้งไม่ได้ทำไงก็กุ้มใจความสามารถลด เวาสามารถในการปัดทิ้งลดไปเพราะนั้นสำคัญคือกิริยาอะไรรู้กิริยารู้มันเป็นกลางอะไรเกิดขึ้นก็รู้ดีไม่ดีก็รู้เท่ากันหมดเท่ากันในแง่ไหนไม่ว่าดีหรือไม่ดีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพอรู้ทันมันเป็นเพียงแค่สภาวะหนึ่งหนึ่งเท่านั้น ดีไม่ดีนี่คือเราตั้งชื่อเอาเองเราทุกข์ก็ว่าไม่ดีเราสุขก็ว่าดีสภาวะให้ความสุขกับเราเราว่าดีสภาวะให้ความทุกข์กับเราเราบอกไม่ดีเมื่อเราสามารถรู้ทันจิตใจของเราได้อยู่เนืองเนืองความตั้งมั่นจะเกิดขึ้นเมื่อตั้งมั่นแล้ว ความสงบที่แท้จริงถึงจะเกิดขึ้นความสงบที่แท้จริงในศาสนาพูดคืออะไรไม่กระเพื่อมหวั่นไหวไปตามอารมณ์ความคิดไม่ติดกับอารมณ์และความคิดจิตนี้กระทบเกิดอะไรขึ้นในจิตนี้แต่ด้วยสภาพที่แท้จริงของเราคือสภาพที่เราตื่นรู้อยู่ ความตื่นรู้นี้ไม่ติดเข้าไปกับอารมณ์หรือความคิดของจิตในขณะนั้น น, นันอันนี้คือความหลุดพ้นเราหลุดพ้นกันได้บ่อยๆการมีสติตามรักษาจิตยอยู่เนืองๆแบบนี้เป็นทั้งหมดของการปฏิบัติธรรมเพราะอะไรไม่เป็นทางสายกลางมีแต่รู้ มีแค่รู้ไม่เกินกายไม่เกินใจนี้ออกไปผลพวง ก, การทาแบบนี้มันเป็นยังไงเป็นการเจริญวิปัสนาผลพวง ก, การทำแบบนี้เป็นยังไงจิตใจมันตั้งมัน่นผลพวงของการทำแบบนี้เป็นยังไงเป็นความ้นทุกตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยแต่ถ้าเราไม่ทําแบบนี้ ไปสังเกตให้ดีชีวิตเราจะติดความคิดติดอารมณ์ง่ายๆความคิดหลอกเราง่ายๆหลอกอยังไงเช่นหลอกว่าเราต้องมีไอ้นี่เพิ่มต้องมีไอ้นั่นเพิ่มต้องไปซื้อไอ้นี่อีกต้องไปเดี๋ยวไม่พอมีแต่ความกลัว โดนความคิดและความกลัวหลอกหลอกที่เดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนคนอื่นเนี่ยผลพวงจากการที่ไม่รู้ทันจิตใจตัวเองความกลัวเกิดขึ้นก็ให้มันครอบงำจำเป็นมันจำเป็นปฏิบัติธรรมมันเป็นการขัดเกลา ขัดเกลาภายนอกคือไม่ตามกิเลสไปไม่ตามความเคยชินเดิมๆภายนอกถ้ายังขัดเกลาไม่ได้ภายในก็ลาบากภายในคือแบบไหนแบบที่สอนเมื่อกี้นี่แหละเขาเรียกว่าการขัดเกลาภายในเพราะถ้าเรามีสติตามรักษาจิตยอยู่เนื่องๆกิเลสครอบงําเราไม่ได้ ครอบงามไม่ได้เราก็ไปําความเคยชินเก่าๆไม่ได้ขัดเกลาภายในขัดเกลาที่ต้นต่อเลยแต่แน่นอนเรายัางทำแบบนั้นไม่ได้ทุกคนหรอกมันต้องอาศัยเวลาอาศัยความชํานาญความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติค่อยๆสะสมประสบการณ์ไปเพราะนั้นมันจะเกิดการตามกิเลส เกิดการครอบงามของกิเลสได้ทีนี้เป็นไงก็ ข, ขัดเกลาร์ภายนอกมันยากแล้วมันกลัวแล้วดิ้นลนแล้วมันล้นออกมาแล้วมันทะลักออกมาแล้วมีเราเข้าไปรับกิเลสนั่นแล้ ว, ลวทีนี้มันยากแล้วจะบอกไม่ให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวเอาไม่อยู่แล้ว รู้ทันสภาวะตามเป็นจริงเอาไม่อยู่แล้วมันเป็นผลแบบทุกไปแล้วเะงั้นตรงนี้ต้องใช้อะไรจินตามัยาปัญญาสอนตัวเองเอาธรรมะมาสอนตัวเองฟังธรรมฟังธรรมะมาสอนตัวเองสอนเพื่ออะไรเพื่อจะไม่ตามความเคยชินเก่าๆไปเต็มที่ได้แค่สองทางคือไม่ไหวก็ไปทำ เราอาจจะแพ้ก็ได้ไม่เป็นไรอาจจะโดนน็อกบ้างก็ได้ไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมชาติแต่อย่าโดนน็อกบ่อยแั่นันีกทางหนึ่งมันสอนตัวเองได้ก็ไม่ทำตามก็ถือว่าชนะพอทุกอย่างจบจิตใจก็เป็นปกติก็ทำการอะไรยคัดกล่าวภายในด้วยวิธีการปฏิบัติแบบนี้ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญที่สุด ทั้งหมดที่พูดวันนี้เนี่ยเรียกว่าศิ ล, ละปะของการปฏิบัติธรรมฟังวันนี้อาจจะเข้าใจได้ระดับหนึ่งค่อยๆปฏิบัติไปมันต้องใช้เวลาครูบาอาจารย์พูดมาเข้าหัวสมองหมดแต่ไม่เคยเข้าใจเนี่ยทำไมมันเป็นธรรมชาติทุกคนต้องใช้เวลาผ่านประสบการณ์ด้วยตัวเองถึงจะเข้าใจ คำว่าศิล ป, ะ, ปะนี้จริงๆการถ่ายทอดศิลปะแบบนี้ครูบาอาจารย์หรือผมพยายามถ่ายทอดให้ดีที่สุดแต่มันก็ไม่ถึงใจหรอกจนกว่าเราจะหาศิล ป, ะ, ปะนั้นได้ด้วยตัวเราเองคาพูดไหนๆก็ดีไม่พอทั้งนั้นเคยได้ยินครูบาอาจารย์ ตอบคำถามว่าศาสนาพุทธนี่คืออะไรท่านตอบว่าศาสนาพุทธคือศิลปะแห่งความพ้นทุกข์นั่นคือสาเหตุที่พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าจงมาลองดูเถอดเพราะศิลปะนี้มันต้องลองด้วยตัวเองหาด้วยตัวเองถ้าเรามีสติตามรักษาจิตอยู่เนืองๆได้เป็น เราจะทำได้ทุกอย่างทําการทารํางานพูดคุยกับคนมีกิจกรรมอะไรเราก็ทําได้พอมีสภาวะอะไรเปลี่ยนแปลงไปในใจเห็นได้รู้ได้การที่เราเห็นได้รู้ได้อันนี้คือกําลังใจของนักปฏิบัติธรรมทาไมเรียกกําลังใจเพราะมีกําลังของใจถึงเห็นได้และมันก็เป็นกําลังใจให้กับเราด้วย เนี่ยพวกเราปฏิบัติแบบนี้อยู่เนี่ยมันเป็นความหลุดพ้ น, ย น, อ, ย น, น, พนอยู่ในตัวอยู่แล้วมันเป็นความพ้นทุกข์อยู่ในตัวอยู่แล้วนี่พวกเราทุกคนตอนนี้สังเกตได้เลยว่าเป็นความพ้นทุกข์อยู่ในตัวอยู่แล้วจิตนี้เป็นยังไงก็ได้นะสังเกตไหมจิตนี้เปลี่ยนแปลงยังไงก็ได้นะไปทางดีทางร้ายแต่มันพ้นนะสังเกตตรงนี้ให้ดี ทำไมพน้นมันไม่ติดกับมันมันรู้ลผ่านรู้รลดับไปเนี่ยมันเป็นชีวิตที่เป็นความพ้นทุกข์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมันเลยเป็นศิลปะแห่งความพ้นทุกข์ที่ไม่มีการทำอะไรเลยมีแค่รู้อย่างเดียวแต่คาว่ารู้นี้ เป็นศิละปะขั้นสูงเป็นการรู้ที่ปราศจากตัณหาปราศจากความอยากเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เพราะถ้าการรู้นั้นเป็นไปด้วยความอยากเป็นไปด้วยตัณหาเป็นไปด้วยความดิน้นรนจิตที่รู้นั้นเป็นอกุศล เป็นการรู้ภายใต้อกุศลอยู่อยู่ที่ผมเคยบอกว่าเป็นเป็นการรู้ภายใต้อัตตานั่นไม่ใช่การรู้ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นใช้คาว่าทาหน้าที่มีแค่หน้าที่ไปวันๆมีแค่หน้าที่แต่ละขนาขนาไปเนืองเนืองไปไม่ต้องหวัง จะเป็นยังไงจะได้อะไรทำอย่างนี้จะเป็นยังไงไม่ต้องหวังทำแค่หน้าที่สิ่งที่เราแหมเหมือนจะบอกว่าอยากอยากจะหวังนะเอาหวังก็ได้หวังสักอย่างนะึงคือว่าหวังว่าได้ทำหน้าที่นี้แล้วเอาแค่นี้พอใครชอบความหวังมากๆก็งั้นหวังแค่นี้พอหวังว่าจะได้ทำหน้าที่นี้ วหวังว่ายังมีลมหายใจจะทำหน้าที่นี่อยู่สำหรับคนชอบหวังก็คิดอย่างนี้ก็ได้เผื่อจะช่วยแต่จริงๆแล้วไม่ควรจะมีหวังใดๆทั้งนั้นมีขน้าที่จิตไปคิดอะไรรู้ทันปุ๊บกลับมาดูใจตัวเองมันถึงจะตัดขาดความติดความคิดนั้นได้ง่ายขึ้น บางทีก็คิดโอ้ฟังธรรมดีจังวันนี้รู้สึกดีมากเลยอาจารย์สอนดีมากเห็นรู้ทันความคิดกลับมาดูใจเกิดอะไรขึ้นพอใจรู้ทันครูบาอาจารย์สายหลวงพ่อเทียนเล่าให้ฟังมีพระมาบวช แ, แพร่พ่อมาเยี่ย จะเอานู่นมาให้เอานี่มาให้แป๊แบๆพ่อมาเยี่ยมเลยละมาหลายทีจนพระก็อบอกว่าไม่ต้องมาแล้วรบกวนลูกลูกจะปฏิบัติธรรมพ่อก็ไม่ฟังสุดท้ายเดือดร้อนถึงกหลวงพ่อเลยต้องลงมาจัดการเอง ก็ตำหนิไปอะไรว่าไปแล้วก็ออกกฎถ้าใครมาบวชแล้วห้ามคุยกับญาติเกินสองครั้งถ้าใครเกินจะพิจารณามีมาตรการเนี่ยคนปฏิบัติเนี่ยต้องรู้จักว่าทำไมเพราะ ครูบาอาจารย์รู้ว่าพันธะใดๆล้วนนํามาซึ่งความฟุ้งซ่านไปไหนไม่ได้มันจะผูกเราไว้อยู่อย่างนั้นแหละครูบาอาจารย์ก็ได้แต่พูดไปลูกศิษย์จะทำหรือไม่ทำเป็นเรื่องของตัวเองความทุกข์เป็นของส่วนตัวของตัวเองความเจริญเป็นของส่วนตัวของตัวเองเห เลือกเขาเองครูบาจารย์บอกว่าเถียงกับพ่อของพระพ่อบอกว่านี่ลูกผมหลูงพ่อบอกลูกคุณแต่ตอนเขามาบวชเนี่ยเขาให้อาตมาเป็นคนดูแลเขามาขอให้อาตมาดูแลอาตมาต้องดูแลเป็นหน้าที่ ถ้าไม่ทำหน้าที่นั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันเ่้นครูบาอาจารย์ก็มีหน้าที่คนมาขอมาราวณามาขอเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ก็มีหน้าที่ต้องดูแลตามคำขอนั้นการปฏิบัติที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ สังเกตเห็นไหมว่าผลพวงจากการปฏิบัติแบบนั้นมมนจะเป็นกิริยาเลยกิริยาสักว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นเฉยๆเห็นปุ๊บมันดับไปรู้แล้วผ่านไปนี่เรียกว่าอะไรเรียกว่าจิตนี้มีความตั้งมั่นและเป็นกลาง ต่อทุกสภาวะสังเกตกันให้ดีว่าเราแค่มีสติรู้จิตเนืองๆแล้วอะไรอะไรทั้งหมดที่เราเคยฟังมาผลทั้งหลายที่เราต้องการมันอยู่ในนี้อยู่แล้วพูดกันง่ายๆก็คือไม่ลืม ทุกวันตื่นขึ้นมาไม่ลืมจะดูใจไปเลยไม่ลืมจะรู้เนื้อรู้ตัวแค่ไม่ลืมถ้าพูดสั้นที่สุดของผมคือไม่ลืมแค่ไม่ลืมยิ่งเราเห็นอาการของจิตเร็วเท่าไรมันก็ดับไปเร็วเท่านั้นวงจรปฏิจจสมุปบาทก็ขาดลงไปความทุกข์ก็เกิดไม่ได้ ความยิดมั่นถือมั่นก็ทลายลงไปเพราะมันไม่ติดไม่ติดกับสภาวะอารมณ์ความคิดใดๆพวกเราฝึกกันไปเดี๋ยวกลับบ้านไปทำงานลองดูถ้าเราฝึกให้มันดีกระทบปุ๊บความหุดหงิดเกิดขึ้นวุ๊บเห็นีมันขาดกระเด็นไปเลย หมดเหมือนเราอยู่ในรูแล้วมีคนเอาไม้มา yeah, แย่แย yeah, ่รูที่เราอยู่เมื่อก่อนแย่แย่พวกเราพุ่งพัวทำอกมาเลยเอาเรื่องกันมาเลยโกรธต่อให้รู้ว่าโกรธเถอะกูก็โกรธเหมือนเดิมเลยละเขาไม่อยู่แล้วแต่เราฝึกแบบนี้ไปมีคนเอาไม้มาแ yeah, ย่รูที่เราอยู่แย่แย่ เราก็ค่อยๆโผล่หัวขึ้นมาไอ้เฉยแล้วก็ลงไปใหม่ไม่ออกมาทั้งเนื้อทั้งตัว้วโผล่หัวออกมาก็เห็นโอกเพราะฉะนั้นทุกผัสสะเสียงสัญญาเมมโมรีความจำได้ต่างๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วรู้รู้เสร็จปุ๊บกลับมาดูใจตัวเอง แล้วมันจะเหนื่งๆ เ, เพราะอะไรเพราะเรามีผัสสะตลอดพวกเราไม่ใช่ไปสงบดำดิ่งอยู่ที่ไหนผัสสะมาตลอดทุกทางทั้งวั น, นเอามาเป็นการปฏิบัติให้หมด